รรมบทแปลเรื่องที่145ห้าภาคที่หเรื่องนางจินจะมานวิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพนางจินจะมานวิกาตรัพระธรรมเทศนานิว่าเอกังธรร ม, มังอติตัสะ มุสาวาทิสะฉันตุโนวิตินะปะโลกัสสะนัตติปาปังอาการิยังบาปอันชนผู้ก้าวล่วงทรรมอย่างเอกเสียผู้มักพูดเท็จผู้มีปะโกอันล่วงเลยเสร็จแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีตอนพวกเดรธี ปริสยาพระพุทธศาสนาความพิสดานว่าในปฐมโพธิการเมื่อสาวกของพระโทศพลมีมากหาประมาณไม่ได้พวกเตียวดาและมนุษย์ยังลงสู่อริยภูมิเมื่อการเกิดขึ้นแห่งพระคุณของพระาศาสดาแผ่ไปลาบสักการะเป็นอันมากเกิดขึ้นแล้ว พวกเดรรตีเป็นผู้เช่นกับแสงหิงห้อยในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นผู้เสื่อมลาบสการะพวกเดรรตีเหล่านั้นยืนในระหว่างถนนแม้ประกาศให้พวกมนุษย์รู้แจ้งอยู่อย่างนั้นว่าพระสมณโคดมเท่านั้นหรือเป็นพระพุทธเจ้าแม้พวกเราก็เป็นพระพุทธเจ้าทานที่เขาให้แล้วแก่พระสมณโคดมเท่านั้นหรือ มีผลมากทานที่เขาให้แล้วแม้แก่เราทั้งหลายก็มีผลมากเหมือนกันท่านทั้งหลายจงให้จงทำแก่เราทั้งหลายบ้างดังนี้ก็ไม่ได้ลาบสการะแล้วจึงประชุมคิดกันในที่ลับว่าพวกเราพึงยังโทษให้เกิดแก่พระสมณโคดมในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายพึงยังลาบสการะให้ชิบหาย โดยอุบายอะไรน้อแล ก, ก็ในการนั้นในกรุงสาวัตถีมีนางปริภาชก น, นึ่งชื่อว่าจินจามนาวิกาเป็นผู้ทรงรูปอันเลอโฉมถึงความเลิศด้วยความงามเหมือนนางเทพอับสอนฉะนั้นรัศมีย่อมเปล่งออกจากสรีระของนางนั้นตอน นางจินจัมานาวิการับอาสาพวกเดรรตีลำดั บ, บนั้นเดรรตีผู้มีความรู้เฉียบแหลมคนหนึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายอาศัยนางจินจัมานาวิกาพึงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโคดมทำลาบสการะให้ชิบหายได้เดรรตีเหล่านั้นรั บ, บรองว่า อุบายมีอยู่ต่อมานางจิงจับมาในวิกานั้นไปสู่อารามของเดรธีได้ไหว้แล้วก็ยืนอยู่พวกเดรถีไม่พูดกับนางนางจึงคิดว่าเรามีโทษอะไรเนาะแลแม้พูดครั้งที่สามว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันไหว้ท่านดังนี้แล้วจึงได้พูดกับ พวกเดรตีว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายดิฉันมีโทษอะไรน้อแลเพราะเหตุอะไรท่านทั้งหลายจึงไม่พูดกับดิฉันเดรตีน้องหญิงเจ้าย่อมไม่ทราบถึงพระสมณโคดมผู้เบียดเบียนเราทั้งหลายเที่ยวทำเราทั้งหลายให้เสื่อมสกสารหรือนางจินจามนาวิกาดิฉันยังไม่ทราบเจ้าข้า ก็ในเรื่องนี้ดิฉันควรทำอย่างไรเล่าเดรตีน้องหญิงถ้าเจ้าปรารถนาความสุขแก่เราทั้งหลายใช้จงยังโทษให้เกิดขึ้นแก่พระสมณโครมแล้วยังลาบสการะให้ชิบหายพระอาศัยตนนางจินจามานวิกาจึงกล่าวพินว่าดีละ่ะพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายข้อนี้จงเป็นภาระของดิฉันเอง ท่านยาได้ต้องคิดเลยดังนี้แล้วนางก็จึงเลงไปห่มผ้ามีสีดุดแมลงข้อมทองมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือมุ่งหน้าตรงพระเชตวันไปอยู่ในสมัยเป็นที่ฟังธรรมกถาแห่งชนชาเมืองสาวัตถีแล้วออกไปจากพระเชตวันตั้งแต่การนั้น วความที่นางเป็นผู้ฉลาดในมายาของหญิงเมื่อมีผู้อื่นถามว่านางจะไปไหนในเวลานี้นางก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่ไปของเรานางนั้นพักอยู่ในวัดของเดรธีในที่ใกล้พระเชตวันเมื่อคนผู้เป็นอุบาสกออกจากพระนครแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังพระเชตวัน ด้วยหวังว่าจะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคนางนั้นก็ทำเหมือนอยู่ในพระเชตวันกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่พระนครเมื่อคนผู้เป็นอุบาศกถามว่าท่านอยู่นะที่ไหนนางก็กล่าวว่าประโยชน์อะไรของท่านทั้งหลายด้วยที่ที่เราอยู่ก็โดยการล่วงไปหนึ่ถึงสองเดือนเมื่อถูกถามจึงกล่าวว่า เราอยู่ในพระกันทั ก, กุดีเดียวกันกับพระสมณโคโดมในพระเชตวันนางได้ยังความสงสัยให้เกิดขึ้นแก่ปุุ้ชนทั้งหลายว่าข้อนั้นจริงหรือไม่นก็เมื่อโดยการล่วงไปสามถึงสี่เดือนเอาท่อนผ้าพันท้องแสดงลักษณะของหญิงมีคันให้เหล่าชนผู้มืดเกลามีความคิดไปว่า ขันบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระสมณโคดมและเมื่อโดยการล่วงไปแปดถึงเก้าเดือนผูกไม้กลมไว้ที่ท้องคมผ้าทับข้างบนให้ทุบหลังมือและเท้าด้วยไม้ขางโคแสดงอาการบวมขึ้นมีอินทรีย์บอบชำ้ำเมื่อพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมบนธรร ม, มาที่ประดับแล้วในเวลาเยน็น นางก็ไปสู่ธรรมสภายืนตรงพระพักของพระตถาคตแล้วได้ดาพระตถาคตในท่ามกลางบริษัทเหมือนจับก้อนคูดป่าดวงจันทร์ดาด้วยคำว่ามหาสมณนพระองค์ดีแต่แสดงธรรมแก่มหาชนเท่านั้นเสียงของพระองค์ไพเราะพระโอษของพระองค์ก็สนิทงามดี ส่วนหม่อมฉันอาศัยพระองค์ได้เกิดมีกันครบกำหนดแล้วพระองค์ไม่ทรงทราบเรือนเป็นที่คลอยของหม่อมฉันไม่ทรงทราบเครื่องคันบริหารมีเนยใสและน้ำมันเป็นต้นเมื่อไม่ทรงทำเองก็ไม่ตรัสบอกอุปถาคคนใดคนหนึ่งคือพระเจ้าโกสลหรืออนาถาบินติกะหรือนางวิสาขามาหาอุบาสิกาให้ท่านเหล่านั้น ทำกิจที่ควรทำแกนางจินจะมานาวิกานี้พระองค์ทรงรู้แต่จะอภิรม์เท่านั้นไม่รู้จักการบริหารพระตถาคตทรงพักพระธรรมกถาแล้วเมื่อจะทรงเบลือเยี่ยงสีห์จึงตรัสว่าน้องหญิงความที่คำอันเจ้ากล่าวแล้วจะจริงหรือไม่เราและเจ้าเท่านั้นย่อมรู้ อย่างนั้นแหละมหาสมณะข้อนั้นเกิดโดยความที่ท่านและฉันทราบแล้วก็ในขณะนั้นเองอาสนะของเท้าสังกะแสดงอาการร้อนแล้วเท้าเธอทรงไกรครวนอยู่ก็ทราบว่านางจินจมามนมิกาย่อมด่าพระตาตากดด้วยคำไม่เป็นจริงซึ่งทรงดำริว่าจะชำระเรื่องนี้ให้หมดจด เท้าสักกะจึงเสด็จมากับเทพบุตรสี่องค์เทพบุตรทั้งหลายแปลงกายเป็นลูกหนูการเชือกที่ปลูกท่อนไม้กลมด้วยการแทะที่เดียวเท่านั้นลมพัดเลิกผ้าห่มขึ้นไม้กลมพลัดตกลงบนหลังเท้าของนางจินจะมานวิการนั้นปลายเท้าทั้งสองข้างแตกแล้วมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้น จึงพูดว่าแน่นางกัลลกันนีเจ้าด่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาทั้งหลายจึงถ่มเคละคือน้ำลายระบนศีรษะมีมือถือก้อนดินและต้นไม้ชุดลากออกไปจากพระเฉตวันตอนนางจินจามานวิกาถูกแผ่นดินสุครั้นในเวลาที่นางล่วงกลองแห่งพระจักสุขของพระพุทธเจ้าไป แผ่นดินใหญ่แตกแยกเป็นช่องให้แล้วเปลวไฟตั้งขึ้นจากอเวจีนั่งจินจามานิวิกานั้นไปเกิดในอเวจี v G. เป็นเหมือนห่มผ้ากำพลที่ตรกูลให้กลาบสัการะของพวกเดรธีเสื่อมแล้วแต่กลับเจริญแก่พระทศพนโดยประมาณยิ่งในวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุ สนทนากันในธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายนางจินจามานาพิกาดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ควรทักสีนาอันเลิศผู้มีคุณอันยิ่งอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงจึงถึงความพินาศใหญ่แล้วในที่นั้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัด น, นี้พวกเธอนั่งประชุม กันด้วยถ้อยคำอะไรนอะก็ะเื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูนเรื่องนั้นแล้วจึงได้ตรัสจินว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้ถึงในการก่อนนางจินจะมาในวิการนั้นก็เคยด่าเราด้วยคำไม่จริงถึงความพินาศแล้วเหมือนกันเร่องนี้แล้วจึงได้ตรัสมหาประตูมชาดก ในทวาทศากนิบาทให้พิสดารด้วยคำที่เป็นกาถานิวาผู้เป็นใหญ่ไม่เห็นโทษน้อยใหญ่ของผู้อื่นโดยประการทั้งปวงแล้วไม่ทันพิจารณาเองไม่พึงลงอาญาตอนพระโพธิสัตดถูกทิ้งลงเหวแต่ไม่ตายได้ยินว่าในการนั้นนางจินจามานาวิกานั้น เป็นผู้ร่วมสามีของพระมานดาของพระโพธิสัตว์ส่งพระนามว่ามหาปตุมังุมารเป็นอัครเมสีของพระชาเชิญชวนพระมาหาสัตว์ด้วยอสัตศธรรมไม่ได้ความยินยอมของพระโพธิสัตว์นั้นแล้วทำประการแปลกในตนด้วยตนเองแสดงอาการลวงว่าเป็นไข้ จึงกราบทูลแก่พระราชาว่าพระราชโอรสของพระองค์ยังหม่อมฉันผู้ไม่ปรารถนาอยู่ให้ถึงประการแปลกนี้พระราชาทรงกรี้ิวแล้วได้สั่งให้ทิ้งพระมหาสัตว์ไปนในเหวเป็นที่ทิ้งโจรลำดับนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ท้องแห่งภูเขาคือใน ห, หุบเขานั้นรับพระ มหาสัตมนั้นแล้วให้ประดิษฐานอยู่ในห้องพังผานของพร ะ, ย า, าพระยานาคพระญานาคนำพระมหาสัตมนั้นไปสู่นาคพิภพทรงรับรองด้วยราชสมบัติกึ่งหนึ่งพระมหาสัตมนั้นอยู่ในนาคพิภพนั้นสิ้นปีหนึ่งใกล้จะบวชจึงมาสู่หิมมาวันต์ประเทศบวชแล้วให้ฌานและอภิญญา บังเกิดขึ้นได้ตอนพระโพธิสัตว์ถวายพระโอวาทแก่พระราชาต่อมาพรานไพรผู้หนึ่งเห็นพระมหาสัตว์นั้นแล้วจึงกราบตูลแด่พระราชาพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระมหาสัตว์นั้นแล้วมีปฏิสันาน์อันพระมหาสัตว์ทำแล้วทรงทราบ พฤติเหตุนั้นทั้งหมดทรงเชื้อเชิญพระมหาสัตว์ด้วยราชสมบัติอันพระมหาสัตว์นั้นถวายโอวาทแก่พระราชาว่ากิจ ด, ด้วยราชสมบัติของหม่อมฉันไม่มีก็พระองค์จงอย่าให้ราชธรรมสิบประการกำเริบจงละการถึงอกติเสียสเสวยราชสมบัติโดยทรรเถิดหนนี้แล้ว พระราชาจึงเสด็จลุกจากอาสนะทรงกันแสงคือร้องไห้เสด็จไปสู่พระรัตนกรจึงตรัสถามอำมาตย์ทั้งหลายในระหว่างหนทางว่าเราถึงความพลัดพรากจากบุตรซึ่งสมบูรณ์ด้วยอาจาระอย่างนี้พระอาศัยใครอำมาตย์ได้ตอบว่าพระอาศัยพระอรัครเมสีพระชจข้า พระราชาจึงรับสั่งให้พระอักระเมหสีนั้นให้มีเท้าขึ้นข้างบนแล้วทิ้งไปในเหวเป็นที่ทิ้งโจนพระราชาเสด็จเข้าไปสู่รัตนครเสวยราชสมบัติโดยธรรมมหาปทุมะกุมานในการนั้นได้เป็นพระมหาสัต ย, ยิงร่วมสามีของพระมารดาได้เป็นนางจินจมามนวิกา พระาศาสดาครั้นทรงประกาศเนื้อความนี้แล้วได้ตรัสว่ามิษุตทั้งหลายก็ขึ้นชื่อว่าบาปกรรมอันบุคคลผู้ละคำสัตว์ซึ่งมีทมอย่างเอกแล้วตั้งอยู่ในมุสาวาตผู้มีบระโลกอันสละดแล้วไม่พึงทำย่อมไม่มีดังนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่า เอกังธรรมังอติตัสสะมุสาวาทิสะฉันตุโนวิติ น, นะร拉โลกัสสะนัตถิปาบังอาการิยังแปลว่าชนผู้ก้าวล่วงทำอย่างเอกเสียผู้มักพูดเท็จผู้มีประโลกอันล่วงเลยเสียแล้วไม่พึงทำบาบย่อมไม่มีตอนแก้อัด นบ น, นาคำเหล่านั้นคำว่าเอกังทำมังแปลว่าทำอย่างเอกนั่นคือซึ่งคำสัตว์คำว่ามูสาวาทิสะแปลว่าพูดเท็จหมายความว่านรดาคำพูดสิบคำคาสัตว์แม้สักคำหนึ่งย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอันผู้เห็นบานนีชื่อว่าผู้มักพูดเท็จคำว่า วิตินนะปะโลกัสแปล ว, ว่าผู้มีปะโลกอันล่วงเลยเสียแล้วหมายถึงผู้มีปะโลกอันปล่อยเสียแล้วก็บุคคลเห็นป่านนี้ย่อมไม่พบสมบัติสามอย่างเหล่านี้คือมนุษย์สมบัติเทพสมบัตินิพพานสมบัติในอวสานคําว่านันติปาบังแปล ว, ว่าไม่เพื่อําบาปย่อมไม่มี หมายถึงความสงสัยว่าบาปชื่อนี้อันบุคคล น, นั้นคือผู้เห็นบานนั้นไม่พึงทมดังนี้ย่อมไม่มีในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาบฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องนางจินจะมานิกา